ส่วนการเสด็จของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเพื่อจะทรงอนุเคราะห์โลกสงเคราะห์ชาวโลกไม่เจาะจงการเสด็จจาริกแบบรีบเป็นการจาริกแบบเจาะจงเนี่ยนะมุ่งเป้าหมายชัดเจนเลยแต่ว่าถ้าจาริกแบบไม่เจาะจงเนี่ยก็มุง่งสงเคราะห์โลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยการเสด็จบินทบาตเป็นต้นโดยทางโยดหนึ่งบ้างครึ่งโยดบ้างทุกๆวันเนี่ยนะก็เนื่องจากพระองค์จะเสด็จจาริกค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนช้ามากนะ วันละสิกิโลเนี่ยนะค่อยๆเดินทางไปเรื่อยรอนแรมคําที่ไหนก็พักที่นั่นค่อยๆไปอย่างเนี่ยนะทุกวันทุกวันตามลำดับตามหมู่บ้านตามนิคมตามชนบทราชธานีเที่ยวจาริกไปอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อส่งเคราะห์แก่หมูสัตว์จำนวนมากนี่เรียกว่าไม่รีบจาริกเนี่ยนะไม่รีบเดินทางเลยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกอย่างนี้ย่อมเสด็จจาริกไปในมณฑลสามมณฑล มณฑนก็แปลว่าเดินละอ้อมเนี่ยนะเดินอ้อมอินเดียวังเงินเดินรอบอินเดียวังเงินเป็นการรอบใหญ่รอบกลางและวรอบเล็กนะก็เรียกว่าเดิน3รอบรอบใหญ่รอบกลางแล้วก็รอบเล็กในมหามนฑนก็รอบใหญ่ใช่ไหมมชิมะมนฑนก็รอบปานกลางอันติมะมนชนก็รอบเล็กมนฑน3อย่างถ้าเดินทางประมาณ900โยชนจดเป็นมหามนฑนนะเดินทางวันละ โยต์บ้างสองโยชต์บ้างไปเรื่อยพื้นที่ประมาณน่นแหละเก้ายโยต์นี้เรียกว่ามหามณฑลมณฑลใหญ่มากถ้าพื้นที่เดินโดยรอบประมาณ600้ยโยต์เนี่ยนะก็เป็นมัชชิมมณฑลถ้าหากว่าพื้นที่ประมาณสัก300ยรยโยต์พระองค์ก็เดินอันนั้นเดินทางไม่ไกลเท่าไหร่นี้เรียกว่าเป็นอันติมะมณฑลทีนี้ถามว่าถ้าเป็นใบไปแบบรอบใหญ่เนี่ยเสด็จอย่างไรบอกว่าถ้าพระองค์ มีความประสงค์หรือพุทธประสงค์จัดเสด็จจาริกไปในมหามนตรเป็นมนตลที่ใหญ่มากเนี่ยนะประมาณ900โยชน์เนี่ยพระองค์ปวารณาในวันมหาปวารณาพอวันปาฏิบทวันมหาปวารณาทุกวันนี้ก็เรียกวันอะไรวันตักบาเทโวโรหณะในนวันนั้นน่ยส่วนวันปาฏิบทก็วันแร็มหนึ่งค่ำที่เราเรียกว่าวันออกพรรษาพระองค์ก็มีภิกษุสงฆ์มูใหญ่เป็นบริวารเสด็จออกไปก็ได้เกิดโกลาหุนเป็นอันเดียวกัน คิดว่าจาริกพุบไปเลยเนี่ยนะทั้งพระภิกษุสมัมมาเนยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่โดยรอบประมาณร้อยยอดอ น, น, นคนก็จะรู้แล้วประมาณรัศมีประมาณรา้อยยอดเนี่ยนะหลายร้อยกิโลเนี่ยได้ข่าวแล้วพวกที่มาก่อนก็ได้นิมนต์ให้กลับ น, นะก็นิมนต์ไปทวาไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็คือเมื่อพระองค์เนี่ยคนก็จ่าริกไปคอยดักรอระหว่างเส้นทางเนี่ยนะบางพวกนี่หออาหารเนี่ยเป็นลำเกวียนเลยนะ มันทุกเวียนเป็นหลายหลายหลายลเกวียนนี่แหละไปเพื่อรอทําบุญให้ทานเนี่ยนะเขามีพวกที่แบบไปตั้งกองเกวียนดักรอข้างหน้าแล้วรอทาบุญเนี่ยนะมีพวกดักรอทําบุญพอทําบุญเสร็จก็กลับพวกข้างหน้าต่อไปเขากรับช่วงกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆยเอนี่ยเอยเอะมากเลยนะลาบสการะเกิดเป็นร้อยเล่มเกียนอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยจนจนไม่รู้บางทีเนี่ยเหลือเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยก็จนทําโรงครัวเก็บเป็นกู ด, ดังเอาไว้อย่างเง้นคล้ายแบบนั้นเนี่ยจนหนูกันเยอะแยะไปหมดเลย ก็อะไรเพราะลาบสการะที่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นว่าใครจะมีลาบสการะใหญ่เท่ากับหมู่สงฆ์หมู่นั้นหมู่คณะสงฆ์เพราะอะไรเพราะทุกคนทําบุญมาเป็นร้อยกับแสนกับทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นบุญของท่านเหล่านั้นก็ตามมาให้ผลก็ลาบสการะเกิดขึ้นมากมายเพร ะ, ะนั้นประชาชนพื้นที่ในรัศมีประมาณร้อยยอดก็มาร่วมกันทําบุญใช่ไหมมาร่วมกันทําบุญเป็นพุทธบูชา พมณฑลทั้งมณฑลเล็กมณฑลปานกลางลาบสการะทั้งหมดก็ไปรวมอยู่ที่มหามณฑลก็คือคนเนี่ยมาเตรียมดักรอทําบุญกับพระพุทธเจ้าเพราะโอกาสชาติทั้งชาติจะได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าสักครั้งหรือเปล่าเนาะก็ต้องรีบไปดักเนี่ยนะขวนขวายเต็มที่เลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าในที่นั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่วันสองวันในคามนิคม น, นั้นพระองค์ก็สงเคราะห์มหาชน การสงเคราะห์พระองค์ก็คือสงเคราะห์ด้วยรับอมิตรฐานของของเขาเพราะว่าทักขินายบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในโมซาพร้อมทั้งสมณพราหมณ์ผู้ที่จะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นนาบุญสุดยอดการที่พระองค์รับปัจจัยสี่ทายธรรมของผู้ใดก็เป็นการสงเคราะห์ผู้นั้นเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนให้เขาเจริญกุศลที่อาศัยใน วิวัติเนี่ยนะพระองค์ก็สอนทำแสดงธรรมเพื่ อ, อ น, นะถ้าสําหรับบางคนก็สอนให้ได้อุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตต่อไปกี่แสนกับขว่ากันไปเนี่ยนะหรือบางพวกถ้าสอนให้บรรลุได้ในชาตินั้นก็บรรลุไปเลยเนี่ยนะบางพวกเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระนาคามีบางพวกออกบวชสาเร็จได้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ประธานแสดงธรรมนะทรงครอบมหาชนรอนแรงไปเรื่อยประมาณ เเดือนการจาริกแบบนี้เรียกว่าเป็นการจาริกแบบไม่รียบร้อนเนี่ยนะไม่รียบร้อนก็ใช้เดินทางเดินทางตอๆกันประมาณ9เดือนทีนี้9เดือนแบบอะไรนะพักไปอ่ะนะจาริกไปพักไปจาริกไปพักไปเนี่ยนะบางที่ก็2วัน3วัน7วัน10วัน15วันอะไรเนี่ยก็แล้วแต่สมควรแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยทีนี้ أ, มัช uh ชิมะมณฑลล่ะมณฑลกลางกลางเดินทางจาริกประมาณ600โยชนธเป็นอย่างไร ก็บอกว่าถ้าภายในพรรษาภิกษุทั้งหลายมีสมถะและวิปัสสนาอย่างอ่อนอย่างอ่อนก็หมายความว่ายังไม่วิปัสสนายัางไม่กล้าแข็งได้สติระหัปริญญามั่งได้อุทยพยาญยอย่างอ่อนบ้างอย่างเงี้ยเมื่อวิปัสสนาญาญอย่างอย่างอ่อนอยู่สมถะทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดการเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่ก็จะเสื่อมสมถะก็เสื่อมวิปัสสนาก็ไม่เจริญพระองค์ก็จะไม่ปรวรรณาในวันมหาปรวรรณา พระองค์ก็เลื่อนการปรวารณาออกไปเป็นปวารณากลางเดือน12บสองบ้างโน่นไปปวารณาเดือนหนึ่งบ้างเนี่ยนะก็แปลว่าอยู่ตรงนั้นปกติก็อยู่สเดือนบางทีก็เลื่อนไปเป็นสเดือนบางทีก็อยู่ณนะสถานที่ตรงนั้นยาวถึงหเดือนเนี่ยนะอยู่สามเดือนบ้างสเดือนบ้างห้าเดือนบ้างพระองค์ก็มีภิกษุบริวารนี่เป็นหมู่ใหญ่เนี่ยนะก็เสด็จจาริกไปตลอดมัชชิมมณฑเดินทางไปพื้นที่ประมาณ หกร้ยโยดเนี่ยนะหกร้อยโยดเพื่ออะไรเพื่อจะรับอามิธทานเพื่อให้เขาเจริญบุญกุศลได้ฟังทำทำบุญถวายทานเพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นบุญวาสนาให้เขาได้บรรลุต่อไปในอนาคตอันนี้เรียกว่ามัชชิมะมณฑลเมื่อพระองค์เนี่ยทรงมีพุทธประสงค์จาริกไปในมัชชิมมณฑลด้วยเหตุอย่างอื่นก็ประทับอยู่สเดือนแล้วก็เสด็จจาริกไป มนทนทั้งสองนี้เนี่ยนะลาบสการะจากมหามนทนจากอันติมะมนทนไปรวมอยู่ที่มัชิมมนทนเนี่ยนะก็แปลว่าสมัยนั้นเขามีเส้นทางกันนะเส้นทางที่เดินทางคือทางอะไรก็ทางพวกกองเปวียนพวกพ่อค้าทั้งหลายนะก็เหมือนกับพวกจาริกสแสวงบุญก็ต้องเดินไปตามหนทางอยู่แล้วใช่ไหมพระองค์ก็จาริกไปตามทางนิคมราชธานีไปเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็จาริกประมาณ8เดือนหมายความว่าถ้าอยู่จำพรรษาเนี่ยนะ ครบวันออกพรรษาแล้วจาริกเลยถ้าอย่างเงี้ยไป9เดือนถ้าวันถัดจากนั้นไปประมาณหนึ่งเดือนก็จะจาริกประมาณ8เดือนหรือว่าแล้วแต่เลื่อนปวารณาออกไปเท่าใดก็จาริกโดยใช้เวลานานลดลดไปตามลําดับนั้นนะนะทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่4เดือนแล้วอินทรีย์ก็ยังไม่แก่กล้าพระองค์ก็จะรอให้อินทรีย์ของเวนยสัตว์ทั้งหลายนี่แก่กล้าคือศรัทธาของเขาที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ยังไม่ ตั้งมัน่นความเพียรก็ยังไม่ไม่มั่นคงสติสมาธิและปัญญาก็ยังไม่เจริญงอกงามอย่างเต็มที่เนี่ยนะเนื่องจากพระองค์รู้ความยิ่งความย่อนแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเพราะถ้ามีการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะถ้ามีการเคลื่อนย้ายปั๊บเนี่ยเสยนาสะนะมันก็จะยุ่งละพระภิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยก็จ ะ, ะไม่ได้เอกะขคตาจิตเพรา ะ, ะนักกุศลก็จะไม่เจริญศรัทธาวิญญสติสมาธิปัญญาก็ไม่เจริญพระองค์ก็ประทับรอให้อินทรีย์ของพวกเขา เหล่านั้นแก่กล้าพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั้นตลอดหนึ่งเดือนต่อบ้างสองเดือนสมเดือน4เดือนเป็นต้นเนี่ยนะพิสุพระองค์ก็มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จจาริกไปในมณฑลคืออันติมะมณฑลมณฑลเล็กเนี่ยนะลาบสักการะในมณฑลใหญ่มณฑลต่างกลางก็มารวมประชุมกันที่มณฑลเล็กเนะี่ยมารอดักรอทําบุญถวายทานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงอนุเคราะห์เนี่ยนะเปลื้องสัตว์โลกให้พ้นจากทุกเนี่ยบางทีก็หเดือนห้าเดือนสี่เดือนบ้างเนี่ยนะบางทีก็จาริกปีหนึ่งแค่สเดือนเนี่ยนะดังนั้นพระองค์เนี่ยจาริกไปในมณฑลสามมณฑลใดมณฑลหนึ่งไม่ใช่จาริกไปเพราะเหตุแห่งปัจจัยมีจีวรเป็นต้นพระองค์ไม่ได้เสด็จไปล่าหาผ้านะไม่เที่ยวไปเก็บริบผ้าเหมือนกับไปตามเรียระยผ้าเรียอะไร อาหารเรื่อะไรที่อยู่อาศัยสร้างเครือข่ายแผลอนานิคมอะไรไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่ไปเพื่อสงเคราะห์โลกเนี่ยนะไปเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์โดยพระองค์มีพุทธประสงค์อย่างนี้ว่าคนเหล่าใดที่เป็นทุกขตาแปล ว, ว่าไปไหนก็ไม่ได้ง่อยเปลี่ยอยู่ตรงนั้นแหละเป็นคนที่เรียกว่าปัญญาอ่อนโง่เขลาเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้เป็นคนแก่เนี่ยนะคนแก่สมัยที่ไม่มีรถมีรา ถ, ถึงมีรถแล้วก็ยังยากนะคนอายุมากคนเจ็บป่วย พระองค์ก็มาคิดว่าคนเมื่อใดนเนาคนเหล่านั้นจักได้มาเห็นพระแตถาคตถ้าพระองค์ไม่ไปเสด็จไปให้ไปเยี่ยมเขาไปให้เขาเห็นแล้วเขาจะเห็นพระองค์ได้อย่างไรเพราะไม่มีการถ่ายทอดสดทางทีวีอะไรเป็นต้นที่จะพอให้เห็นได้ใช่ไหม mm. เมื่อไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เสด็จจาริกไปเพื่อให้เขาได้พบเห็นพระองค์เน่ยนะเมื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นพระองค์เพราะอะไรเพราะพระองค์เสด็จจาริกไปมหาชนก็จักเห็น คนที่เห็นก็ยังทำยังจิตให้เลื่อมใสใช่ไหมศรัทธามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นอะไรทัศนานุตตริยะเนี่ยนะเขาก็ได้ทัศนานุตตริยะแล้วละ่ะทัศนานุตตริยะของเขาเนี่แหละเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกกระปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเพื่อบรรลุญาาธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตเพระ้นจิตที่เลื่อมใสที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็พอที่จะเป็นไปเพื่อความ พจ้จากทุกแล้วเนี่ยนะหรือไปที่คนที่มีศรัทธามากกว่านั้นเขาก็จะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมมาคอยปรนนิบัติดูแลถวายน้ำถ้าเป็นต้นเนี่ยเขาก็คอยปรนนิบัติเป็นต้นเรียกว่าปาริจาริยานุตริยะบุคคลเหล่านั้นก็จะได้ถวายทานเนี่ยนะได้ถวายภิกษาหารบางคนทุกตะยากจนเข็นใจก็ถวายทัพที่หนึ่งสองทัพีแต่ว่าอยากคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเล็กน้อยเพราะว่าได้ถวายกับผู้ที่เป็น นาบุญที่ไม่มีนาบุญอื่นเหล่าใดยิ่งใหญ่ไปกว่าหรือบางทีก็พวกที่มีความเห็นผิดเนี่ยนะเนื่องจากไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็จะละคลายมิจฉาทิฐิละสละคืนจากมิจฉาทิฐิตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฐิมีกรรมสกตาสัมมาทิฐิมีวิปัสนาสัมมาทิฐิมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นต้นเขาก็จะเจริญอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ วัตถุประสงค์หลักก็คือข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานไปเพื่อประโยชน์ั้งเหล่าสรัรพะสัตทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้เป็นการจาริกเพื่ออะไรเพื่อสรงเคราะห์ส ร, รพพะสัตทั้งหลายอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยสเสด็จจาริกด้วยเหตุสี่ประการอันหนึ่งสเสด็จจาริกเพื่อความสุขของสรีระโดยการยืดพักแข้ ง, แ ข, งแข้งขาเนี่ยนะท่านอยู่กับที่แล้วนั่งอย่างเดียวเนี่ยนะจะเป็นยังไง ว่า ก, การเดินทางนี่ก็ช่วยทำให้เกิดการผ่อนคลายเนี่ยนะเพราะการอยู่กับที่การไม่ไปไหนแล้วก็หมกมุ่นเนี่ยมันก็ะอะไรสุขภาพก็ไม่ค่อยดีใช่ไมไม่ค่อยได้ออกกำลังขาอย่างคนที่ไม่ได้เดินมาลหลายกันหลา ย, ลายวันติดกันเนี่ยขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะยังไม่มีแรงออย่างที่ก็บอกว่าคนที่นั่งอยู่ในเรือลยหลายวันเนี่ยนะ สัก3ามวัน5วันเนี่ยก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วมันก็ต้องฝึกเดินเพราะฉะนั้นพระพิสูจนบางรูปที่ไม่ค่อยได้เดินเนี่ยนะท่านก็จะได้เดินจาริกรอนแรงไปเนี่ยนะก็จะทําให้สุขภาพได้ยืดแข้งยืดขาสุขภาพก็แข็งแรงแล้วคนก็มีอะไรทําบ้างไม่งั้นก็นั่งจับเจา้าแล้วก็จับจุกไม่ไปไหนเลยน่าเบื่อจะตายอย่างเงี้ยหรือบางทีที่พระองค์เสด็จจาริกไปก็เพื่อคอยการเกิดอุปติอัฏฐุปติ คือเหตุให้พระองค์แสดงธรรมเพราะเมื่อพระองค์เสด็จไปพอเจออะไรเจอท่อนไม้ลอยน้ำพระองค์ก็แสดงธรรมเพราะอะไรเพราะปรารบท่อนไม้ลอยน้ำบางทีไปเนี่ยไปเห็นท่อนฟืนอกองไฟใหญ่ที่กําลังลุกท่วมพระองค์ก็แสดงธรรมปรารบกองไฟบางทีไปเจอเหวพระองค์ก็แสดงธรรมโดยปรารบเหวไปเจอ พยับแดดเนี่ยหนทางระหว่างทางเจอพยับแดกพระองค์ก็แสดงธรรมปรารบ พ, พยับแดดเจอต้นไม้ใบหญ้าอะไรพระองค์ก็ปรารบสิ่งเหล่านั้นก็แสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมประกาศอริยสัจธรรมเพราะบางคนเนี่ยจะต้องอาศัยเหตุการณ์และสถานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมบางทีพระองค์ก็เสด็จไปเพื่อทรงบัญญัติศิกขาบทสําหรับภิกษุทั้งหลายเมื่อเสด็จไปณสถานที่ตรงนั้นจะมีบางคนที่ทําผิดทําพลาด พระองค์ก็ปรารบเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านั้นประบัญญัติพระวินัยทั้งหลายเนี่ยนะบัญญัติเป็นปาติโมกขสังวลบัญญัติปาราชิกบ้างสังฆาทิเศษบ้างเป็นต้นเนี่ยนะ